สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบสองครับยิวกับวันสะบาโตพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทนบที่ห้ายอห์นบทที่ห้าข้อสิบถึงสิบแปดนะครับยอห์นบทที่ห้าข้อสิบถึงข้อสิบแปดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติคนนั้นจึงตอบเขาว่าท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถอะเขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถอะนั้นเป็นผู้ใดคนที่ได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากภายหลัง พระเยซูได้พบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและรัดกับเขาว่านี่น่ะเจ้าหายโรคแล้วยาทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกกับพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงกระทาเช่นนั้นในวันสะบาโตแต่พระเยซูจัดตอบเขาว่าพระบิดาของเรา ยังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงยิ่งแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทาตนเสมอกับพระเจ้าเป็นรองครับน่าสนใจนะครับในเช้าวันนี้ความจริงหรือสัจธรรมที่เกิดจากพระวจนะก็คือ วันสะบาโตแต่คนยิวก็ได้แสวงหาช่องทางที่จะฆ่าพระเยซูเพราะเหตุการณ์ล่วงละเมิดวันสะบาโตพี่น้องครับผมอยากจะเท่าวความเดิมนะครับก็คือพระเยซูได้ทรงรักษาคนที่เป็นอัมพาตสามสิบแปดปีนะครับที่สะเบสซดาซึ่งแปลว่าบ้านแห่งความเมตตาบ้านแห่งความกรุณานะครับสานี้นะครับหลังจากที่คนเอ่อคนที่เป็น อัมพาตนะครับนอนมาสามสิบแปดปีได้รับการรักษาให้หายจากพระเยซูเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่ถามชื่อของพระเยซูเท่านั้นเขาก็รีบจํายกแคร่ของตนนะครับยกที่นอนแล้วก็เดินกลับไปในวันนั้นนะครับ พ, พระมปีระบุว่าเป็นวันสาบาโตครับพวกยิวก็เลยพูดกับชายที่หายโรคคนที่เป็นอัมพาตนะครับว่าวันนี้เป็นวันสาบาโต ที่แบกแค่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติแล้วพี่น้องครับการละมวการละเมิดวันสบาโตนะครับโดยการแบกของนะตามกฎ ด, ดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้ให้รักษาวันสบาโตนั้นก็ได้ขยายบานไปนะครับขยายบานปลายไปกลายเป็นบทบรรัญญัติต่างๆซึ่งมนุษย์ตั้งขึ้นอันนี้เป็นความชอบธรรมของมนุษย์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นเองนะครับทีนี้องค์พระบรมเจ้าตรัสกับเยเรมีนะครับ ในพระธ ร, รมเยเรมีนะครับบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบสองพระเจ้าตรัสอย่างนี้ครับว่าอย่าหาบหามของของเจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโตหรือกระทําการงานใดๆแต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ดังที่เราบัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้พี่น้องครับผู้นำศาสนาก็คือพวกยิวนั้นได้เข้าไปพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสะบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดกรรมบัญญัติแล้วพี่น้องครับผมอยายาะ อ่านในเยเรมีนะครับบทที่สิบเจ็ดให้พี่น้องฟังนะครับในเยเรมีบทที่สิบเจดข้อที่ยีิบอ็ดนะครับพระเจ้าจัดดังนี้ว่าจงระวังเพื่อเห็นแก่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายอย่าได้หาบหามอะไรในวันสะบาโตหรือนําของนั้นเข้าทางบรรดาประตูเยรูซาเล็มและอย่าหาบหามของของเจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโตหรือกระทําการงาน ใ, นใดๆแต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ดังที่เราได้บัญชาบรรพบรุษของเจ้าไว้ นะครับและในพงพีนะครับบทเดียวกันนี้ก็ยังพูดถึงพระพรนะครับในวันสบาโตเมื่อคนของพระเจ้ารักษาวันสบาโตครับและในขดันเดียวกันครับในข้อที่ยสิบเจ็ดนะครับก็ยังมีบทลงโทษนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่รักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ไม่เชื่อฟังพระเยซูนะครับแล้วก็แบกกระทบกับไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็แบกภาระเข้าทางประตูทั้งหลาย นะครับนในวันนั้นพระเจ้าจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั้นและไฟจะเผาผลาญราชวังทั้งหลายของเยรูซาเล็มและจะดับก็ไม่ได้พี่น้องครับถ้าถามว่าจุดประสงค์ของการมีวันสบาโตของพระเจ้านั้นมีไว้เพื่อใครคาตอบก็คือว่ามีไว้เพื่อมนุษย์ครับไม่ได้มีไว้เพื่อตนเองพี่น้องครับในวันสบาโตนะครับเมื่อขณะที่พระเจ้าสร้างโลกนั้น พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงหยุดพักนะครับทรงหยุดพักถามว่าพระองค์ต้องหยุดพักไหมครับคําตอบก็คือจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องหยุดพักก็ได้เพราะว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะครับทรงมีฤทธิ์ไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทำงานไม่รู้จักเหนื่อยครับและพระองค์ก็ไม่ต้องพักแต่ที่พระองค์พักนั้นและพระองค์ทรงสร้างนะครับวันสบาโตขึ้นมาเพื่อมนุษย์ครับเพื่อมนุษย์จะได้พักนะครับแทนนะครับเพื่อมนุษย์จะได้พักแทนพระเจ้าก็ได้ ดำเนินนะครับพระองค์เองนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับมนุษย์ครับแท้จริงพระเจ้าไม่ต้องพักครับแต่พระเจ้าพักเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์แล้วก็พระองค์ก็สั่งให้มนุษย์ได้รักษาวันสะบาโตต่อมาเรื่อยๆนะครับจุดประสงค์ของวันสะบาโตนะครับผมรวบรวมมานะครับก็อย่างน้อยอยู่ห้าประการด้วยกันครับห้าประการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นจุดประสงค์ของวันสะบาโตประการแรกก็คือวันสะบาโตนั้นเป็นวันพักสงบครับ พักสงบทั้งร่างกายนะครับจิตใจและกิตวิญาณนั่นคือเมื่อเขาได้พักนะครับร่างกายห้ามทํางานนะครับห้ามแบกของห้ามเดินเกินที่กําหนดไว้นะครับให้มาที่ธรรมศาลาเพื่อที่จะพักสงบนะครับในขณะเดียวกันครับพี่น้องครับเราอาจจะเข้าใจว่าวันธบาโตนั้นเหมือนกับวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ครับวันธบาโตนั้นเป็นวันเสาร์นะครับและจะเริ่มนับวันธมาโตตั้งแต่เย็นวันศุกร์ครับ นะฮะเยนวันศุกร์นั้นเขาก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วเขาจีต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวทุกๆคนนะครับแล้วก็กินข้าวกันได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในเช้าวันเสาร์พวกเขาก็จะไปที่ธรรมศาลานะครับเป็นวันแห่งความการพักสงบนะครับเป็นวันแห่งการไข่ครวนนะครับเป็นวันเรียกว่า Family day นะครับทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อมนุษย์ครับพระเจ้าทําให้กับมนุษย์ ประการที่สองก็คือว่าในวันสบาโตนั้นถือว่าเป็นวันนมัสการพระเจ้าเป็นวันบริสุทธิ์ครับเป็นวันบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าให้อิสุเอลนั้นได้มีโอกาสคิดคำหนึ่งถึงความผิดความบาสนะครับถ้าหากว่ามีความผิดความบาปที่ได้ทํามาระหว่างสัปดาห์นั้นก็ให้ให้อะไรครับให้สารภาพเสียนะครับในขณะเดียวกันครับจะเป็นวันแห่งการ น, นามัสการพระเจ้าเมื่อบาปของเราถูกยกแล้วนะครับ เราก็บริสุทธิ์และการนมัสการของเรานั้นพระเจ้าก็โปรดปรานและพระเจ้าพอพระทัยครับผู้ใดที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เป็นมนทินนะครับไม่ว่าคุณจะนมัสการดีขนาดไหนนะครับพระเจ้าไม่พอพระทัยครับประการที่สามครับเป็นวันรับพระพรของพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้าจะมาผ่านทางวันสมาโตคือการที่ร่างกายของได้พักนะครับชีวิตของเขาได้รับการนมัสการ และพระพรรออยู่เบื้องหน้าครับก็คือพระพรแห่งการนับถือหรือรักษาวันสบาโตนะครับรักษาวันสบาโตตลอดไปนะครับพระพรนั้นก็จะไปถึงลูกถึงหลานได้ด้วยประการที่สี่ครับเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังครับวันสบาโตนั้นหรือการรักษาวันสบาโตนั้นเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังนะครับของประชารกรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นประการที่ห้าครับก็คือว่า ถ้ว่าใครก็ตามที่รักษาวันสบาโตนั้นนะครับเขาไม่เพียงแต่สแสดงและตอบสนองต่อคำบัญญัติหรือตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเท่านั้นนะครับแต่เขายังมีสมบัติคุณสมบัติแห่งการเป็นประชากรของพระเจ้านะครับนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่ห้านะครับเขามีคุณลักษณะนะครับหรือคุณสมบัติแห่งการเป็นประชากรของ พ, พระเจ้าเพราะฉะนั้นประชากรของพระเจ้าจะต้อง รักษาวันสะบาโตนะครับนี่คือห้าประการของจุดประสงค์ของวันสะบาโตครับพี่น้องครับเรื่องราวต่อมาก็คือว่าพระเยซูนะครับสั่งให้เขานั้นยกแคร่แบกเดินไปนะครับต่อมาพระเยซูก็พบชายคนนั้นก็คือคนที่เป็นอัมพาตนะครับอยู่ในพระวิหารพระเยซูจัดกับเขาว่านี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทําบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า คงเป็นตอนนี้เองครับที่ชายผู้หายโรคนี้รู้ว่าพระเยซูปเป็นใครและเขาเขาก็ได้ต้อนรับพระองค์นะครับยอนนะครับม่ได้บันทึกรายละเอียดว่าชายคนนั้นมีความสัมพันธ์ประการใดบ้างกับพระเยซูนะครับแต่ในข้อ15ครับชายคนนั้นได้ออกใปบอกกับพวกผู้นําชาวยิวว่าผู้ที่รักษาตัวเองนั้นคือพระเยซูครับพวกพวกยิวนะครับจึงมาต่อว่าพระเยซูนะครับพระองค์ก็ตร่ากับกับพวกยิวว่า พระบิดาของเรายังทรงทําอยู่เรื่อยๆและเราก็ทําด้วยเนื่องด้วยถ้อยคําเหล่านี้ครับพวกยิวกล่าวหาว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูไม่ยอมรับไม่ถูกยอมรับจากคนยิวนะครับว่าเป็นพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีอยู่สี่ประการนะครับหนึ่งนะครับทรบีนะครับหรือพวกยิวเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อานาจเหนือวันสบาโตนะครับแต่พวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูครับยว่าพระเยซูจะมีอานาจเหนือวันสบาโตได้นะนี่เป็นประการแรก ประการที่2ก็คือว่าพระเยซูนั้นเป็นเพียงแค่ลูกของช่างไม้เป็นคนโนเนมครับไม่มีภูมิหลังในเรื่องของการเป็นฟาริสีนะครับไม่มีภูมิหลังของการเป็นธรรมจาร์นะครับไม่มีภูมิหลังของผู้นําศาสนาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นเพียงเขาถือว่าพระเยซูนั้นเป็นเพียงบุตรของช่างไม้จากนาซาเร็ศครับประการที่สครับพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า นะครับอันนี้คือคําว่าบุตรหรือพระบุตรหรือบุตรนะครับลูกครับก็คือแปลว่ามาจากนะครับมาจากพระเจ้าไว้เชื่อครับว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าประการที่สี่ครับประการสุดท้ายครับพวกยิวคิดจะหาหาโอกาสฆ่าพระเยซูเพราะนะครับเพราะเขาถือว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้านะครับตีตนเสมอเท่าเทียมกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้นะครับพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราได้รู้ว่าประโยชน์ของวันสะบาโตนั้นพระเจ้าจัดให้กับมนุษย์นะครับ และเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วพระยเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าในเวลาดูกันครับคําว่าพระบุตรนั้นไ ม, up, ม่เป็นต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับไม่ต้องเป็นต้องมีคุณพ่อคุณแม่แต่คําว่าพระบุตรนั้นมีความหมายว่ามาจากนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับอาเมน